อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารบรุล์ซึ่งก็เป็นรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้ร่วมสนทนาแทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกั บ, ท, บโนโนท่านพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนท่านพระอาจารย์ผู้ดำเนินการหลักสูตรการปฏิบัติธรรมบริกเล้นตามพุทธวจนะ แล้วก็ปิดวาจาของทางวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภ า, ากรท่านเป็นเจ้า อ, อาวาสอยู่นะคะซึ่งสําหรับการพบกันในเช้าวันนี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการสากักการะเหมือนเช่นเคยค่ะก็คือการพูดคุยสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบุตอภิพุนโนนท์นั่นเองนะคะ เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์ที่19พฤษภาคมค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน6นะคะก็คิดว่าใกล้จะแบบถึงวันแรม15ค่ำคือในวันพรุ่งนี้เต็มทีละแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับรายการของเรานะคะไม่ว่าจะขึ้นข้างขึ้นข้างแรมเราก็ยังมีธรรมะดีๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกๆเช้า เหมือนเช่นเคยโดยพาอย่างยิ่งในช้าวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็จะเป็นการสากัะชาหรือสนทนาธรรมะที่จะนําเรื่องของชีวิตของชาวบ้านเรานี่แหละค่ะว่ามีปัญหาอะไรบ้างก็นํามากราบเรียนสนทนาซักถามท่านพระอาจารย์ภบุตรอภิปุโนของเรานะเจ้าค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำพิการพระอาจารย์ภับุตรอภิปุโนพร้อมกันเลยนะเจ้าค่ะขอกราบน้ำพิธการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเตมบาลสาธุเจ้าค่ะโยมเกิรนมาตอนต้นนะเจ้าค่ะว่าเป็นเรื่องของการ กัน้นแต่นี้ในสัปดาห์ที่แล้วนิยมอาจอยากจะขอย้อนนิดนึงว่าเราก็ได้นําเรื่องเกี่ยวกับภายในครอบครัวนะเจ้าคะเกี่ยวกับพ่อแม่แล้วก็ลูกเองด้วยซ้ําที่ว่าอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันพูดจากันไม่ดีอะไรต่างๆซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะหยิบยกตามพุทธวนจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลักคิด หลักปฏิบัติที่จะทําให้ดีขึ้นมาพูดคุยจบไปแล้วนะเจ้าคะทีนี้พอมาถึงวันเสาร์เนี่ยเจ้าคะ่ะโยมก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอความเมตตาที่จะหยิบยกขึ้นมาสนทนากับพระอาจารย์นะเจ้าคะก็เป็นเรื่องของสมัยใหม่เรานี่แหละเจ้าค่ะที่บรรดาเด็กวัยรุ่นแม้แต่อัยที่ไม่รุ่นแล้วนะเจ้าคะอย่างคนทํางานก็ตามนะเจ้าค่ะถึงจนอายุมากๆเลยอตอนนี้เนี่ยก็จะติดสิ่งที่เราเรียกกันเรียกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการสังคมเครือข่าย ก<ไ>ารเครือข่ายกั น, นซึ่งมันเป็นไปทั่วโลกดังนั้นมันก็จะมีระบบเครือข่ายอะไรต่างๆมากมายมีเกมนะเจ้าคะที่จะให้เล่นต่างๆกันไปมีทั้งเกมดีเกมไม่ดีแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เองเนี่ยเจ้าค่ะก็มีทั้งข้อมูลที่เรียกว่าอย่างเป็น Google อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาเรียกเปเหมือนครูเลยมีทุกอย่างทุกสิ่งแบบที่จะให้เราได้รับทราบความรู้ในทุกๆเรื่องของโลกนี้นะเจ้าคะอาจจะเป็นที่กรีทดีเดียอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ ก็มีหมดเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการที่ใช้สังคมที่เรียกว่าขออนุญาตท่านผู้ฝังทางบ้านใช้คำที่เราพูดกันเสมอเลยแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นเรื่องของเครือข่ายที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยเจ้าคะ่ะก็มีทั้งดีและเสียนะเจ้าคะ่ะมีเว็บที่เป็นโป้บ้าง หรือว่าเป็นเว็บที่หลอกลวงกันบ้างหลอกขายของอย่างนี้นะเจ้าค่ะหรือไม่ก็หลอกที่ว่าล่าสุดเนี่ยโยมคิดว่าหลายหลายอย่างหลายประการท่านผู้ฟังทางบ้านคงตรหนักดีละ ว, ว่ามันมีภัยจากโซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่าการติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตชสังคมเครือข่ายตรงนี้ค่ ะ, อ, ะอันนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยโยมกรเลยอยากจะขอหยิบยกประเด็นนี้เจ้าค่ะ มาเรียนสนทนากับพระอาจารย์ภัยบุญอภิพุพนโนะเนจ้าคะว่าเป็นกรณีที่เกิดต่างๆนานาที่ขึ้นมาที่เกิดจากความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราควรจ ะ, ะทำจิตยังไรแล้วก็จะแก้ไขปเป็นต่างๆอย่างไรดีเจ้า<ช><ช>คะในสมัยวุทธการก็ไม่มีสังคมเครือข่ายด้วยเนาะ ไม่มีเจ้าค่ะเพ่จะเป็รบเร็วนี้นะเจ้าค่ะเกืปียี่สิบปีนี่แหละยิ่งยิ่งโดยเฉพาะยิ่งปีนี้สองสามปีมานี้ที่เรกว่าโอ้โหฮือฮาก็ได้ฮิตกันมากสมัยบางคนนั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ก็ต่างคนต่ก็ต่างมีโทรศัพท์มือถือกุกกี้กักกักกันไปไม่ได้คุยกันหรอกไปคุยกับคนอื่นอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ย พ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ต่างคนต่างก็มีมือถือคุยกับอีกคนหนึ่งหรือว่าก็จิ้มกันเข้าไป ใ, <c oughs> ในโทรศัพท์นั่นแหละนะเ <c oughs> จ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเลยในในปัจจุบันนี้นะคะและที่ร้ายแรงที่สุดที่โยมคิดว่าอยากจะขอเป็นประเด็นห ย, ยิบยกขึ้นมาก็คือการที่บางทีลูกที่อาจจะอ่อนประสบการณ์นะเจ้าค่ะหรือแม้แต่คนตัโตๆเรานี่แหละพอเข้าไปในสังคมแบบนี้เนี่ยก็ไป เจอเป็นการหลอกลวงบ้างและที่ร้ายแรงก็คือเขามีการติดต่อกับคนนู้นคนนี้คุยกันแชทกันไปแชทกันมาคือพูดคุยกันทางผ่านอินเทอร์เน็ต น, นะเจ้ารที่สุดนัดเจอการโดนหลอกลวงเข้าไปกระทำไม่ดีนม้ร้ายบ้างหรือบางทีเนี่ยก็ถึงกับมีการฆ่ากันอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องร้ายที่เกิดในสังคมจากเรื่องเหล่านี้อยากจะขอให้ อาจารย์เพียบุณยเมตตาที่จะสาระฉาพูดให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของการที่เราใช้หรือว่าติดหลงนะเจ้าค่ะกับบรรดาโซเชียลมีเดียทั้งหลายของเราเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าสังคมเครือข่ายสั้งหลายอินเทอร์เน็ตนะเจ้าพ่พีนี่มันเป็นอย่างไรคุณเดินใจอย่างเรื่องสังคมเครือข่ายเนี่ยนะมันก็เพิ่งมาจะมามีในช่วงหลังๆนี่เท่านั้นเองนี่ยคืออยู่ในช่วงชีวิตของเราที่เราเกิดมาเราก็เพิ่งจะเจอใช่ไหมสมัยเด็กๆเราก็ยังไม่เจอนะ น, นี่พอมันเจอตรงนี้เอ๊ะทำไมมันเป็นปัญหาคือคืออะไรมาต้องการจะย่อเขาเห็นภาพรวมด้วยนะอย่างว่าเอ่อเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆที่เรามีมาตั้งแต่เอ่อที่ที่เพิ่มเพิ่ ม, ม, มาอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเอ่อเครื่องบินอ่อรถไฟใต้ดินคือสมัยก่อนพวกนี้ไม่มีหมดเลยนะรู้ปะเพิ่งจะมามีในสมัยปัจจุบันนี้แล้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความทันสมัยเห็นแล้วมันเออดีแล้วก็เป็นของล้าสมัยเป็นของที่ไฮเทคบ้างัน เอ๊ะแต่ว่าทำไม เ, าเราชีวิตคือความสุขของเราเนี่ยไม่ได้เห็นจะเพิ่มขึ้นตรงไหนเลยรหรือยังมีความทุกข์เหมือนเดิมนะคือหมายความว่าจะทุกข์มากกว่าเดิม<อ>ใช่บางทีคดีความในศาลก็ไม่ได้ลดลงเอ๊ะปัญหาประเทศชาติก็ยังไม่ได้แก้ไขอะ้วพวกนี้มันมีมาเพื่ออะไรเอ๊ะทำไมมันเห็นแล้วโ ก, โ ก, โกยยย้ๆเฉยๆก็ไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆ่า ง, งๆอะไรได้กูกจะใจเนี่ยหรอไหม แ <Okay. S 2> เราคิดว่าโอ้เทคโนโลยีนี้นะสิ่งประดิษฐ์นี้อะจะต้องมาเปลี่ยนแปลงโลกได้แน่นอนแต่ว่าโลกก็ยังมีคนชั่วอยู่มากเหมือนเดิมมีแต่จะมากขึ้นไปด้วยซ้ำํทำที่จะมาเป็นอย่างนั้นแทนที่ว่าจะมีเครื่องอะไรสักเครื่องหนึ่งไหมที่จะทำให้คนที่กลายเป็นคนดีได้โลกนี้มีสันติสุขขึ้นมาได้ไม่เห็นมีใครประดิษฐ์เครื่องแบบนี้เลยหรือประดิษฐ์ออกมาแล้วพยายามที่จะให้มันเป็นแต่มันเป็นไปไม่ได้นะทีะนี้ว่ า, ารประดิษฐ์ออกมาแล้วเนี่ยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ให้เก็บข้อมูล ก็ให้เผยแพร่ความรู้ในทางที่ดีอะเจ้าค่ะมันก็มีพวกที่จิตใจไม่ดีเนี่ยนําไปบิดเบือนใช้ในทางที่ปิดมิจฉาชีพก็มีมากเลยเว็บโปเว็บมินเว็บการพนันเว็บใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องเว็บด่าคนอื่นโอ้โหมีบานเบอร์เลยเจ้ค่ะห้ามกันเท่าไหร่ก็ไม่หมดปิดล็อกกันแล้วแบนกันแล้วก็ยังปุ่ดขึ้นมาเป็นที่นั่นที่นี่ก็มีค่ะทีนี้คือประเด็นปัญหาเนี่ยเราคุณติดใจมันไม่ได้อยู่ที่เจ้าตัวสังคมเครือข่าย คุณเตืใจเข้าใจไหมคือสังคมเครือข่ายมันก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เขาผลิตขึ้นมาโทรศัพท์มือถือก็เป็นก้อนก้อนหนึ่งที่เขาผลิตขึ้นมาและมีธาตุมีพวกธาตุต่างๆผสมกันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ปัญหานี่มันอยู่ที่จิตของคนที่เอาไปใช้มันออบุคคลที่ผลิตขึ้นมาแต่เขามีเจตนาดีแต่คนเอาไปใช้ไปใช้ไม่ดีนึ่งอ่อกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแก้ที่คนใช่ไหมใช่ต้องแก้ที่คนคืออย่างสมมุติคนใช้เอาไปใช้ดีนะก็มีนะคุณเตือ่างสมมติช่วงที่น้ําท่วมเนี่ย โอ้สังคมเครือข่ายนี่เขาเกณฑ์คนไปช่วยกันทําความสะอาดเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้จากสังคมเครือข่ายเอาวันนี้ช่วยช่วยวัดนี้วันนี้ช่วยจุดนี้วันนี้ช่วยไปที่นี่โอ้กลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาก็มี <Okay. S 1> คือถ้าเราใช้ดีเนี่ยมันดีแน่ถ้าเราใช้ไม่ดีโอ้มันยิ่งหนักเลยมันก็ไม่ดีกับเราในอย่างกรณีที่เราเจอปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยมีภาพอะไรที่มันไม่ค่อยเหมาะสมข่าวหน้ากลัวข่าวขาตกรรมแรงต่างเขาก็มาลง นะเป็นของที่ทําให้เสียกําลังใจเขาก็มาลงอย่างเงี้ยอะไรเป็นเรื่องความโชคหนึ่งเขาก็มาลงคือเป็นแนวทางที่อถ้าจะทําให้ถูกมั้งเนี่ยมันก็ทําได้แต่มันก็มีช่องที่ทําให้เราต้องเดินผิดทางอนะคื อ, ค, อคือเราไปคิดผิดตรงนี้คุณตือนใจที่ว่าเ อ, อข้อมูลอะไรต่างเราต้องเปิดเผยหมดนะหรือว่าจะได้แบ่งปันกับคนอื่นได้ทุกเรื่องมันไม่ใช่ไงเราไม่ได้แบ่งปันกับคนอื่นได้ทุกเรื่องเรื่องไม่ดีเรื่องที่เป็นความโชคคนอื่นเนี่ย ไม่ควรจะามาเปิดเผยเพราะอะไรอันนี้เป็นพุทธวจนะนะคุณเดินใหญ่ที่บอกว่าอ่าคนที่เป็นคนดีคนที่เป็นสัตบ์รุษเนี่ยถ้ามีใครไม่ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องถามหรอกความชั่วของคนอื่นเนี่ยจะไม่เอามาเปิดเผยให้ปรากฏแต่ถ้ า, ถ า, ถามีใครถามแบบถามจังหน้าหรือเรี่ยงไม่ได้ก็พูดนิดเดียวแตนะหรือว่าความดีของตัวเองอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนถามนั้นะไม่ต้องไปคอยพูดให้คนอื่นหรอกหรือถ้ามีคนถามจังหน้านะพูดนิดเดียว นะเราเราถึงจะถูกถ้าคุณใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าเจ้าสังคมเครือข่ายเนี่ยในการที่จะบอกความดีโอ้คุณนี้ทำความดีรู้สิเอาเร า, เานำขึ้นแบ่งปันกันอันนี้ยิ่งจะดีหรือว่าบอกถึงความไม่ดีของตัวเองโอ้วันนี้ฉันไปทำผิดอย่างนี้มาไปฆ่ายุงมาเดินเอาขับรถไปชนหมามาโอ้รู้สึกว่าไม่ดีเลยเอามาประกาศความผิดของตัวเองนะอันนี้ถึงจะเป็นข้อดีนะเราจะคือมันมันเอา เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยียต่างๆ อ, ออกมาแล้วเนี่ยขอให้มีวิธีใช้ที่มันถูกต้องตามมากด้วยน ะ, ะให้ออกมาด้วยกันนะหรือว่าเราจะปิดกั้นอย่างไรเนี่ยมันก็จะต้องออมีกระบวนการที่ว่าเป็นวิธีการใช้นะของสื่อสื่อนั้นๆเนี่ยนะที่มันอยู่ที่ผู้ใช้เท่านั้นเองทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ว่าเออเราไปควบคุมจิตของคนอื่นทั้งหมดไม่ได้นะอือคือหมายความว่ า, วาคนที่ใช้ยูเซอร์คนที่หนึ่งยูเซอร์คนที่สองจนถึงยูเซอร์คนที่10ล้านเนี่ย เราจะไปควบคุมมาเธอใส่เรื่องนี้เธอจะใส่เรื่องนั้นเธอใส่เรื่องนี้เธอจะใส่เรื่องนั้นจิตของแต่ละคนเนะี่ยเขายังมีกิเลสอยู่แในยังมีการที่ถูกเหนี่ยวนําไปตามสิ่งที่มากระทบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปป้องกันคนอื่นหรือว่าป้องกันที่เทคโนโลยีเนี่ยโอ๊ยคุณเตใจเอ้ยเดี๋ยวอีก5ปีสิปีเทคโนโลยีใหม่ก็ออกมาแต่มันก็เป็นเรื่องใหม่ไปอีกแต่จริงๆแล้วเราแก้ได้ที่ตัวเราเอง แล okay. ะคือคือธรรมะของพทะเจ้าเนี่ยคุณ um ือใจเป็นของทวนกระแสคำว่าทวนกระแสนี nominal, ่หมายความว่าไงคือหมายความว่าเราจะไปคิดว่าโอ้ต้องนี่นะต้องคนอื่นต้องแก้อย่างนี้เป็นปัญหาบ้านเมืองอย่างนี้ออกคนหมายนี้มาตรงนี้แบนตรงนี้ห้ามนั่นคือห้ามข้างนอกไงเข้าใจไหมแต่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องทวนกระแสคือทวนกระแสของคนอื่นเนี่ยเข้ามาหาตัวแทนที่เราจะไปคิดข้างนอกคิดออกไอหาคนอื่นนั้นเราคิดเข้ามาหาตัวเองนั่นถ้าไงเราถึงจะเอาไอความ ทีกิเลสเนี่ยออกไปจากจิตของเราให้ได้คือมีเรื่องเขาไม่ดีเข้ามาอย่างเงี้ยนะสมมติเขาเอาเอาของขวัญมาให้คุณเดินใจอย่างเงี้ยเอามามาที่สํานักงานอย่างเงี้ยแล้วก็เอาของเอาแจกันดอกไม้มาให้คุณเดินใจคุณเตืนใจบอกอ๋อเต็มแล้วสํานักงานนี่ไม่มีที่ว่างว่างดอกไม้เลยเอากลับไปแล้วกันนะฉันไม่รับอย่างเงี้ย<ต>ถ้าถ้า <ๆ S 2> เราไม่ได้รับใช่ไหมถามว่าเขาก็ต้องเอากลับไปจ่งไหมเขาต้องเปคนขอรับของนี่คืนไป สมมติว่าเขาเอาอุจาระเอามาให้เราอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่รับคุณเขาเอาอุจาระคืนไปเขาเอาคำด่ามาให้เราเอาของหมินห ม, มาให้เราเราบอกเราไม่รับเขาเอาคืนไปเอันหนึ่งเพราะฉะนั้นของที่มันมาในตาไอพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าสังคมเครือข่ายเนี่ยนะมันมาเนี่ยมันไม่ได้มานิดเดียวคุณเดือนใจเดี๋ยวมันมาทั้งอีเมลมาทั้ง facebook S สเอ็มอส่าโอสารพัดสารเพย์ทว t ตเตอะไรต่างๆมากมายนะจนกระทั่งไม่รู้เลยนี้มันมีอะไรอีเรกเยอะแยะไปหมดเนี่ยน ะ, ะมาเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> แล้วบางทีข่าวเดียวกันเนี่ย โ, โหเป็นเขาเรียกว่าโตเป็นดอกเห็ดบูมบูมบูมบูมไปเลยใช่ค <Okay. S 1> ่ะถามว่าเราจะปิดกั้นจิตของเรายัางไงไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิตของเรานี่เราต้องเราต้องดูแลที่จิตของเราตรงนี้นะอ่าคือบาง <Okay. S 1> ทีเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์มันก็มีประโยชน์ของมันนั้นในการที่จะใช้เผยแพร่หรือว่าใช้อ่าติดต่อผู้คนบางคนเนี่ยแหมอ่าตั้งแต่เป็นนักเรียนสมัยเรียนประถมด้วยกันอย่างเงี้ย ไม่เคยเจอกันเลยจนนั่งมาเจอกันบนสังคมเครือข่ายอย่างนี้ก็มี<า>เออมันก็เป็นข้อดีของเขาเหมือนกันนะทางดีก็มีเจ้าค่ะใช่ใช่เค่ะเพราะฉะนั้นทางชั่วเนี่ยเราต้องปิดกั้นที่จิตของเราเท่านั้นเองคือเราไปห้ามคนอื่นใช้เนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนั้นได้ระดับหนึ่งทีนี้เราก็ต้องมาคอยควบคุมจิตของเราไม่ให้ไหลไปนในทางไม่ดีอันนี้ไม่ได้แค่เฉพาะสังคมเครือข่ายเดี๋ยวเอาแค่หนังสือพิมพ์ก็เนินใจหนังสือพิมพ์หรือข่าวทีวีเนี่ยหลักการที่ว่าให้พูด อนนี้ไปเอาข้อเสียข้อไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมาที่อภิธนาอันนี้ไม่ถูกหลักล้ใช่ไหมบางทีมีลงข่าวด่ากันเขียนขอ้อรำด่ากันอันนี้ไม่ถูกหลักละเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าหนังสือพิมพ์ทำได้สมมตินะสมมติทาได้ทําได้ไดี่ดีมากเลยข่าวสารดีมากเลยเหมือนช่อง11อย่างเงี้ย น, นะดีดีก็ลงแต่ข่าวที่ดีๆนะพอลงข่าวดีๆอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทําให้สังคมมันไปได้ในทางดีทีนี้ว่าไอ้คนที่มันลงข่าวไม่ดีมันก็มีนะ ทีนี้ทำยังไงเราต้องมาคอยกั้นจิตของเราเองนที่จะไม่ให้เราเนี่ยไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นเนื้อเนาะเจ้าค่ะวิธีการวิธีการตรงนี้เนี่ยพระเจ้าก็เคยพูดถึงการปิดกั้นอินทรีย์นะคือเหมือนกับยามที่เขาเฝ้าอยู่ตาม สถานีราชการหรือว่าตามโรงงานตามโรงเรียนหรือว่าในหมู่บ้านเนะี่ยคุณตาชัยนึกออกนะเขาจะมีะรั้วรอบขอบชิดอย่างดีนะรั้วนี้ก็ต้องเป็นรั้วที่มีปูนฉาบอย่างดีนะทั้งสูงและก็มีเครื่องป้องกันต่างๆท <c oughs> ีนี้พอมีรั้วรอบขอบชิดอย่างนี้เนี่ยจุดที่มันจะเป็นจุดอ่อนเนี่ยคือจุดที่ทางเข้าทางออกจุดอ่อนที่สุดเลยนะของไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไหนก็นแล้วแต่ที่มีรั้วรอบขอบชิดเนี่ย คือจุดทางเข้าทางออกเพราะว่าไอ้ขโมยกระจนหรือว่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันจะไม่มาทางกำแพงอยู่แล้วมันมันปิดสนิทหมดแล้วนะมันก็อาจจะมีบ้านแต่ว่าก็จะถูกป้องกันได้แต่นี่ไอ้จุดอ่อนเนี่ยคือตรงทางเข้าทางออกแต่นี้ยามหรือว่าตำรวจที่เฝ้าประตูนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมากนะคอยระวังให้คนที่ไม่รู้จักอย่าเข้ามาคอยระวังที่ให้คนที่เขาจะต้องมาทําอะไรที่เรารู้จักเนี่ยเป็นคนของเราเนี่ยให้เข้ามาได้ ต้อ ง, งต้อ ง, งเป็นอย่างนี้ต้องเป็นนายทวารผู้ฉลาดอย่างสมุติเขาเข้ามาที่ศูนย์ราชการอย่างเงี้ยก็ต้องแลกบัตรนะอืมแลกบัตรเสร็จแล้วคุณมาทําอะไรคุณมาหาใครนะโทรขึ้นไปก่อนคุณนัดนัดกันไหมอาวขึ้นไปนะตามสถานที่ที่สำคัญอย่างเช่นโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยนะคุณเตือนใจต้องมาได้นี่เฉพาะนัดกันเท่านั้นถ้าคนอื่นมาแบบว่ามาขายของมาอะไรนี่เขาห้ามเลยอืมเฉพาะนัดเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้นัดมาไม่ได้ให้ออกไปสถานที่สําคัญๆที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติอย่างนี้ก็เเป็นนนนออย่างี้หมืกั เขาจะต้องมีระบบการคุ้มกันภัยขนาดนี้คนออกแม้แต่เป็นคนของเราก็ตามนั้นจะต้องมาดูว่ากุญแจอะไรไว้นในกระเป๋าเปิดดูเอาของจากสํานักงานออกไปไหมอย่างนี้ก็มีแต่นี้ ม, นมันมีกรณีที่ว่ายามแอบหลับนะยามแอบหลับหรือว่ายามแบบลืมเผลอแในขั้นตอนนี้ไม่ได้ทําอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหตุให้ขโมอยหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันได้ช่อง มันเข้ามาในในบ้นเดิใจใช่ไหมะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่เคยเปรียบกับไอ้ประตูเนี่ยนะคนเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมีประตูโยกประตูเดินใจนะมี <Okay. S 1> ตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจ <Okay. S 1> เออเป็นช่องประตูนะที่จะคอยให้สิ่งต่างๆผ่านเข้าผ่านออกมาที่จิตของเราสมมติเราอ่านหนังสือพิมพ์เอาเข้ามาทางตาละนะเราจิตแล้วก็คิดตามเอาเข้ามาทางใจละพอคิดตามไปเส ร, ร็จปุ๊บเ อ, อมันมีช่องให้ สิ่งที่จะดีหรือจะไม่ดีเกิดขึ้นได้มันก็จะมีช่องอยู่ทั้งหมด6ทางตรงนี้เราเราจะต้องมีสติเนี่ยเป็นเป็นนายทวารนะเราจะห้ามสิ่งที่ไม่ดีให้สิ่งที่ดีเข้าเนี่ยอยู่ที่ตัวสติของเราตรงนี้แล้วคุณอ่านอันข่าวนึงเป็นคำํำพาดหัวข่าวจิตคุณจะนิ่งๆเอาไวหรือจิตคุณจะวิวัฒน์ขึ้นมาไหลไปตามสิ่งที่เขาพาดหัวข่าวเนี่ยอยู่ที่เราเลือกละ <Okay. S 2> อยู่ที่สติของเราละเป็นตัวกลุ่มละว่าเาจะให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับจิตหรือจะอจะไม่ให้ให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาหรือจะให้สิ่งที่ดีเข้ามากันแน่ตรงนี้นะระหว่างที่เราเห็นเนี่ยตาเราเห็นตัวหนังสืออยู่ในหนังสือพิมพ์ส่งกระทบเข้ามาหรือว่าหูเราดินเสียงปี๊บๆแหะเดี๋ยวีเขาส่งข้อความมาทางสื่อไอสังคมออนไลนี่แล้วแล้วเราจะดูแล้วมันขาวอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมาเนี่ยนะคุณเตือใจมันจะได้ช่องตรงนี้ ถ้าเผื่ว่าเราเผลอสติเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเอาเราทันทีเอาเราเนี่ยหมายถึงว่ามันจะอัดเราทันทีนะอัดเราเนี่ยมันจะทําให้จิตเราคิดอกุศลอา้าวคราวนี้มาได้ไงอุ้ยน่าตงใจมากเลยทําไมเธอพูดอย่างนี้หรือเป็นทำไมเป็นอย่างนี้เราจะไหลไปตามเราจะมีความจิตจา้าขึ้นเอ้าเธอนัด ก, กันไปกินที่นี่แม้ไม่บอกฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสังคมเครือข่ายก็จะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ถ่ายรูปลงแล้วก็โพสต์ขึ้นให้คหนอื่นเขาได้รู้กันทั่วว่าฉันไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยนะ ซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะว่าเราต้องคอยควบคุมที่จิตของเรานะอย่าให้มันได้ช่องม้านเนี่ยคุณเตือนใจมันไม่เอาช่องจากเราก็ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งมันต้องเอาไว้ได้ก็คือผัดสะทั้งหลายของเราเนี่ยคคอยช่องอยู่จากเราอย่างไม่ขาระยะืนเรียกว่าจ้องตาเป็นมนันเผลอเมืเ่อไหร่เป็นเมื่อนั้ น, นเสร็จเลยแต่เพืนยามเนี่ยห้ามเผลอหล ยามนี่ห้ามข้าม ข, ข, ขั้นตอนมันต้องคอยระมัดระวังจี ง, งเราอยู่เสมอเราจะใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้อย่างสบายใจเราก็เวลาที่พ่อพิชา์เนี่ยเคยเปรียบเหมือนกับเต่าตัวหนึ่งแเต่าตัวนี้เขาเดินอยู่ที่ริมแม่น้ํามาหากินแลเต่า ก, กินน้ํากินหญ้าอะไรกาไป <Okay. S 2> นะปรากฏว่าสุนัขจิ้งจอกก็หากินอยู่ทําริมตลำธานเหมือนกันแณวันนั้นเนี่ยสตัวนี้มาเจอกันบดีเต่าก็เห็นสุนัขจิ้งจอกนี่เดินมาแต่ไกลละ สุนัขิงจอกก็เห็นเต่าตัวนั้นมาแต่กลแล้วเลยรีบวิ่งปรีเข้าไปเนี่ยเพื่อจะหวังว่าจะกินเตา่าเนี่เต่าตัวนี้พอเห็นสุนัขจิ้งจรีบวิ่งเข้ามานี่ก็หดหัวหดขาหดกระ อ, อแขน อ, อ่คือขาก็มีสีขาใช่ไหมแล้วก็มีหัวหัวหนึ่งเป็นห้าห้าส่วนเนี่ยหางด้วยหางด้วยเป็นหกส่วนเนี่ยเข้าไปในกระดองเตา่าเนีเจ้าสุนัขจอกพอมาถึงปุ๊บเห็นเต่าหดหัวอยู่เนี่ยก็คอยช่องอยู่เนะี่เอา จมูกดมเอาขาจิ้มแล้ววิ่งวนอยู่รอบๆว่าเอ๋เมื่อไหรนะ่หน่าจะเต่าตัวนี้นะมันจะโผล่หัวหรือว่าอาวัยวะอันใดนหนึ่งออกมานะฉันจะกัดตรงนั้นแล้วก็จะดึงออกมาทั้งตัวแล้วก็แคล้มันออกมากินให้ได้นะสุนัขจิ้จอกนี่ก็คิดอย่างนี้นะ<ด>เขาก็รออยู่รอรอรอเมื่อไหร่เต่ามันจะโผล่หัวออกมาถ้าเมื่อไหร่เต่าไม่ได้โผล่หัวออกมานะสุนัขจิ้จอกก็ต้องหลีกไปเองคือไม่ได้ช่องก็หลีกไปเอง นะเหมือนกันรพระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับบุคคลที่คอยจะคุ้มครองอออเขาเรียกว่าคุ้มครองทวารของเรานะคือไม่ให้มาเนี่ยมาได้ช่องนะในการที่จะดึงจิตของเราออกไปปู้ยยี่ปู้ยยำทําไม่ดีไม่รา้าย อ, อย่างเสมมติว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยหรือว่าได้ยินข่าวมาทางคอมพิวเตอร์ข่าวมาทาง SMS ข่าวมาทางโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเห็นมาปุ๊บเนี่ยมาเนี่ยนะ สิ่งที่ไม่ดีมันเข้ามาทางนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะดึงจิตของเราออกไปปู้ยี่ปู้ยั่งเจ้าค่ะมันจะแบบว่าบางทีมันทําให้จิตของเราช้ําทําให้จิตของเราเสียใจทําให้จิตเราลุ่มหลงไปตามสิ่งนั้นมีจิตตกนะเจ้าค่ะทำให้ทุกข์ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะใช่ได้ทั้งสองทางเลยเนะมันจะเข้ามาดึงเราทางนี้นะถ้าเราไม่รักษาเนี่โอ้โหแย่เลยช่วยเลยเพราะเราต้องรู้จักปิดกั้นอินทรีย์ของเรานะคือในกรณีที่ว่าอย่างอย่างเต่าเนี่ยถ้าเป็นเต่า ต, ต, ตัวเผลอเนี่ยนะ เขาจะเผลอโผล่เล็บออกมานิดนึง่งเล่นเล่นจะขอเล่นกับสุนัขจิงจอหรือโปล่หางมานิดนึง่งแปลว่าให้มันแบบวิ่งมาทางนี้แล้วโผล่ตรงนั้นให้มันวิ่งไปตรงนั้นอย่างนี้นนะโอ้ยคุณคุณจะเป็นอันตรายมากอืมเพราะว่าถ้าถ้าเราพลาดพลั้งเนี่ยเราตายเลยนะจิตของเราจะเศร้ามากจริ ง, งเราจะถูกผู้ยีบผู้ยำจริตของเราจะถูกลากถูลูดถูกกลางไปโดยเจ้ามารคือสุนัขจิงจอตัวนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเออเต่านี่ก็มีกระดองเต่าเป็นเครื่องป้องกันนะ นะเราเนี่ยจะต้องมีอารมณ์ที่มีสมถาถะมีกรรมฐานเพื่อใหามีอารมณ์ของการภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันจิตของเรา ใ, ในที่นี้เกิ อ, อะไรในที่นี้คือลมหายใจคุณเตจัยลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนกับที่อยู่ของจิตเป็นกระดองเต่าของเราคุณคเตจัยนึกออกว่าเต่าเนี่ย น, นะเวลาไปไหนเนี่ยนะมันไม่เคยไปแต่ตัวนะคือแปลว่ากระดองไปด้วยใช่ใช่คือมันไม่ได้เดินตัวเปลยเปยเหมือนที่เราดูในการ์ตูนนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคือถ้ากระดองมันออกมาแล้วคือเหมือนตายด้วย เพราะนั้นกระดองกับตัวมันเนี่ยโตมาด้วยกันมันติดแนมแน่นกันคือไม่ใช่ว่ามันถอดกระดองออกได้ไม่เหมือนหอยบางประเภทแต่ว่ากระดองเต่าก็จอต้องอยู่กับมันไปไปไหนลงน้ําขึ้นบกไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเอากระดองไปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้กระดองเต่าของเขาเนี่ยก็เปรียบเสมือน อ, อ, อารมณ์แห่งการภาวนาของเรา أن, อารมณ์แห่งการภาวนา ค, คือเครื่องที่จะรักษาจิตให้จิตของเราอยู่ในบ้า ง, งเราซะนั่นก็คือลมหายใจให้ลมหายใจเนี่ยเป็นบ้านของจิตของเรา เนื้อไหมคือสมมติเราไปที่ไหนไปเที่ยวข้างนอกไปตาา่างประเทศไปเรียนหนังสือก็จะกลับมาที่บ้านแต่สมมติเราอยู่ในที่ทํางานอย่างเงี้ยเราทํางานไปทํางานไปนะเดี๋ยวตอนเย็นเราก็กลับบ้านเช่นเดีวยวกันเวลาที่เร า, เ อ, าอยู่กับรมหายใจอย่างเงี้ยอยู่กับข่าวสารสิ่งต่างๆที่มันเข้ามากระทบดูทีวีอยู่ดูโทรศัพท์มือถืออยู่กินข้าวอยู่คุยกับเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยเราต้องคอยมารู้ลมหายใจคือให้จิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่บ้านเรื่อยๆ คือจะไปพูดก็ไม่ไม่ว่าอะไรหรอกไปพูดก็พูดไปแต่บางทีอาจจะพูดหรือขับรถจะไปรู้ลมหายใจด้วยมันก็จะยากแต่ถ้าคนไม่ได้ฝึกมาเอาไม่เป็นไรคุณก็ทำทำไปแต่เดียเด๋ยวแล้วหน่อยก็กลับมารู้ลมหายใจนละจะทําให้จิตของเราเนี่ยไม่พลาดถูกดึงไปได้ง่ายนึกออกเนา ะ, ะ, ะแล้วเวลาส่งข่าวสารเข้ามาในทางมือถือนะหรือมาทางหน้าคอมพิวเตอรนะ์เราก็รู้ลมอยู่เรื่อยรู้ลมอยู่เรื่อยคือมีที่อยู่ให้จิต ใ, ให้จิตของเราเนี่ยมีที่อยู่ในี่จะเป็นการป้องกันได้อย่างดี ไม่ว่าข่าวสารไหนจะมาก็ตามเถอะอเราก็จะไม่ลงผิดไปตามนั้นนะเจ้าคะ <c oughs> ไม่ถูกชักนำไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะใช่ะะใช่จะเป็นผู้ที่มีสติรักษาจิตได้เจ้าค่ะ ทีนี้โยมอยากจะขออนุญาตที่จะกลับเวียนถามพระอาจารย์ภัูบุญภิปุโนตรงนี้นะเจ้าคะท่านผู้ฟังทางบ้านโยมคิดว่าหลายท่านที่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็เคยฝึกสมาธิมาก่อนเนี่ยพอฟังพระอาจารย์พูดว่าให้อ่าดึงจิตกลับมานะเจ้าคะหรือว่าอยู่กับลมหายใจเนี่ย ท่านผู้ฟังท่านนั้นจะเข้าใจทันทีว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงแต่ทีนี้ดีนี้ในฐานะที่โยมขอถามแทนท่านผู้ฟังหลายๆท่านหรืออาจจะมีน้องๆหลายคนที่ตื่นมารับฟังแล้วเนี่ยก็อยากจะทำนะเจ้าค่ะแต่มันทำไม่เป็นเนี่ยเจ้าคะ่ะ อ, อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าเรามีเวลาหรืออยู่ประมาณสักสี่ห้านาทีไ ด, ไดถ้าเผื่อพระอาจารย์เมตตาที่จะ ที่แจงถึงวิธีการที่ถูกที่เราจะกำหนดลมหายใจของเราแล้วนำสติของเรามาอยู่นลมหายใจนเนี่ยยมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์อย่างเดียวนะเจ้าคะแต่ก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยเพราะพระอาจารย์ก็เคยสั่งสอนว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยบอกว่า ให้เราเนี่ยมีสติเนี่ยเป็นเป็นที่อยู่หรือเป็น<ช>เรือนเรือนประจําตัวเรา<ช>เพื่อว่าเราจะได้อ่าปลอดภัยจากสิ่งที่มันเข้ามามอ่าร่ารานจิตใจเรามีสิ่งที่ไม่ดีอะเจ้าค่ะนิมนตเจ้าค่ะอันนี้ก็คือสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้อย่างนั้นที่จะให้จิตของเราเนี่ยไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนะเราก็ให้มาระลึกถึงลมหายใจคือดึงจิตของเราเนี่ยกลับมาซะแล้วถามว่าดึงกลับมาดึงกลับมาในกลับมาตรงไหนนะก็กลับมาตรงจุดที่เรามารับรู้ถึงลมหายใจได้ นั่นคือลมหายใจเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่ามันผ่านเข้าออกอยู่เป็นปกติใช่ไหมเราไม่ได้ใบ บ, บังคับลมให้มันสั้นให้ยาวให้มันเร็วให้มันช้าหรือให้มันเข้ารูไหนออกรูไหนแทนที่ว่าจิตของเราจะให้แบบคิดไปเรื่อยคิดไปฟุง้งซ่านอะไรต่างๆก็ให้จิตของเรามาอยู่ที่เดียวนั่นคือตําแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกได้ถ้าพูด ง, ง่ายๆนะคุณเตืนใจอย่างอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย มันก็อยู่นิ่งๆของมันอยู่ใช่ไหมถ้ามันมีการเคลื่อนที่ก็จะเป็นลมนั้นลมนี้ถ้ามันเคลื่อนเข้าไปในรู จ, จมูกของเราเนี่ยก็เป็นลมหายใจเข้าในระหว่างที่มันการเคลื่อนที่เข้าไปเนี่ยตรงนั้นก็เป็นช่องเล็กๆเนี่ยทาให้ความดันของมันเริ่มมีแล้วในโพรงจมูกของเราก็มีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่แล้วก็มันจะมีการสัมผัสกั น, กนระหว่างเจ้าลมหายใจเข้านี้กับตัวเนื้อเยื่อตรงนี้นั้เราจะสามารถรับรู้ถึงสัมผัสตรงนี้ได้นั้นพอรับรู้ถึงสัมผัสตรงนี้ได้เราก็เอาจีะ ไม่ไม่ยากคือเอาใจไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นใช่ไหมถ้พูดง่ายๆตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ะตัวนี้เราก็จะมีคนที่แบบจมูกมันหนาหรือจมูกมันมันไม่รู้สึกเนี่ยนะก็ลองหายใจแรงๆสัก2ถึงสาครั้งลองหายใจแรงๆสักสอถึงสาครั้งจะได้รู้สึกถึงลมหายใจได้บ้างถ้ายังไม่รู้สึกให้กลั้นลมหายใจซะนะกลั้นลมหายใจมันจะพอจะรู้สึกได้บ้างนะจะต้องเป็นใช้เทคนิคนี้อย่างไรก็ตามอย่าไปบังคับอย่าไปเกรง แล้วบางคนทำแรกๆเนี่ยคุณเตือนใจเกรงคิ้วเกรงไหลเกรงคอแล้วก็ทำไม่ได้บอกโอ้สงสารพระเจ้านี่สอนไม่ถูกแล้วทำไมฉันทำไม่ได้ <c oughs> เอา <c oughs> ้า <c oughs> ก็คุณทําไม่ถูก อ, ะ <c oughs> อ่ะอสมาธิเนี่ยนะหรือว่าสติเนี่ยเราต้องบอกเป็นการสรุปตรงนี้เลยว่าเป็นของเบาคุณเตือนใจ<า>เป็นของที่ไม่ใช่จะบังคับเอาแล้วเราจะไปบังคับจิตให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มไม่ได้แล้วเราจะต้องคอยต้องมีเครื่องที่จะมาล่อเขาเนืองเราจะตกปลายลต้องมีเหยื่อเบ็ดใช่ไห<า>อน้ํา น้ำนิ่งก็เบ็ดแบบหนึ่งน้ำทะเลก็เบ็ดแบบหนึ่งน้ำจิตก็เบ็ดแบบหนึ่งนั้นจิตเราก็ต้องเอาลมหายใจของเราเนี่ยเป็นเหยื่อล่อเนะีเป็นลักษณะของเป็นกระดองเต่าให้เต่ามาอยู่เพราะฉะนั้นการทาตรงนี้ได้จิตเราจะต้องเป็นแบบปล่อยวางอย่าไปคิดอะไรมากทําสบายๆอย่าไปตั้งใจมากเกินไปหรืออย่าให้มีความอยากว่าฉันจะต้องทําได้นะทําให้บ่อยทําใ ห, ให้มันเป็นของง่ายนะคุณใจคือถ้าทําถูกเนี่ยมันง่ายมากนะ <Okay. S 1> อ แต่คนที่ทําไม่เป็นเนี่ยเจ้าคะจะคิดว่ามันยากมากใช่จึงจึงต้องบอกเป็นเบื้องต้นก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราถ้าคุณมีลมหายใจและถ้าคุณมีจิตคุณมีจมูกอยู่จะได้แน่นอนค่ะถ้าพระอาจารย์พูดแบบนี้เนี่แสดงว่าทุกคนทําได้หมดเลยนะเจ้าคะเด็กเล็กผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ทําได้หมดทําได้หมดเพียงแต่ว่าต้องต้องรู้วิธีทําให้ถูกต้องก็จะเบาสบายใช่นะเจ้าคะเจ้าค่ะก็ท่านฟังคะ วันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์ไพบุตรพิบุญโน พระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับรุณได้ให้แนวคิดที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้มากทีเดียวนะคะในรายการธรรมรับรุณก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะไดะ้มีความสุขกันในการที่จ ะ, ะได้รับฟังสิ่งที่ดีๆจากรายการธรรมรับรุณเราเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมานะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องนําท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุณอภิวันโนพระอาจารย์พวก ในการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริดเลนตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะซึ่งก็วัดนี้มีพ ร, พระเอกภูริหลวงพ่อดรสะอาดทิดภูษาโสหรือท่านพระคระคูเสรษิพพะภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะอาช้าวันนี้เรามากราบนมัสการลาพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่กราบนมัสการและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเต็มพาน